คุณทวสวัสดีค่ะผู้ฟังที่เคารพค่ะมาอีกแล้วนะคะรายการสรนสนีสนทนาที่ฉันสันสานีนาคงดำเนินรายการสนทนาธรรมกับพระมหาภัยบุญอ ภ, ภิปุณโววัดป่าดอนหายโสอุดรธานีเมื่อวานนี้มัวแต่จดจ่อที่จะกราบเรียนถามท่านถึงเรื่องจิตตะนครจนกระทั่งไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องลอยกระทงกับครั้งพุทธกาลเลย ก็ถือว่าผ่านแล้วผ่านเลยไปก็แล้วกันนะคะท่านกระลอยกระทงกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันเก็บกระทงเราก็มาสนทนาทำกันต่อดีกว่าค่ะกล่าวเรส ก, การกับท่านพิบูลค่ะเยาวานค่ะที่ฉันทราบตอนท้ายของรายการเมื่อวานท่านบอกว่าเรื่องจิตตะนครที่ได้กล่าวไปเนี่ยยังมีประเด็นที่จะพูดต่ออีกชก็อยากจะนิมนต์ท่านพูดต่อแต่ว่าก่อนจะถึงตอนนั้นนะคะท่านค่ะบางคนอาจจะมาฟั ง, งละงใช่ใช่ค่ะเอ๊ะ อ, อะไรนะครไหนเนี่ย คืออุปมาอุปไมนี้นนนคือเปรียบเทียบกับตัวของเราเองว่า <Okay. S 2> สภาวะที่เรามีอยู่ในกายนี้เนี่ยไอความที่เป็นกายนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่คือลักษณะของแบบสิ่งก่อสร้างในเมืองแต่เปรียบเทียบกับเมืองเมืองหนึ่งมีสิ่งก่อสร้างตึกรามบ้านช่องถนนหนทางพวกนี้เนีเป็นเป็นเหมือนกับบ้านเมืองของเขาเป็นเมืองของเขาซึ่งการที่กายของเราคือถ้าสีดินน้ำไฟลมมาเก่อเป็นร่างกายขึ้นเนี่ยก็เป็นสภาวะสภาวะหนึ่ง อันนี้ก็คือเปรียบเหมือนเป็นเมืองเมือหนึ่งเป็นภพภพหนึ่งเป็นจุดจุดหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นภพขึ้นมาเป็นกายของเรา er ขึ้นมานะซึ่งเมืองกายของเรานี้มีจิตเป็นเจ้าเมืองนะจิตของเราที่ถูกล็อกอยู่ในกายเนี่ยนะคือเหมือนกับเจ้าเมืองมาครองเมืองนี้อยู่นะจะต้องรักษากันไปจนกระทั่งเมืองแตกละ่ะนะถามว่าแล้วจะรักษายังไงให้เมืองมันดีขึ้นนะก็มีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดเอ่อแอย่างด้วยกันนะถ้าเราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ7จบวกห จะอย่างแรกก็คือพูดถึงเรื่องของกำแพงเมืองนะบนกำแพงก็ต้องมีทางเดินนอกกำแพงฝั่งที่ข้าศึกจะยกมาก็ต้องมีคูล้อมรอบนะในมีกำแพงแล้วก็ต้องมีประตูใช่ไหมมีประตูก็ต้องมีนายถวาวรรักษาประตูในเมืองก็ต้องมีกองกําลังมีมีอาวุธแลกองกําลังนี้ก็ต้องติดอาวุธด้วยแล้วในเมืองนี้ต้องมีเรือเสาระเนียดนะที่สําหรับจะดูข้าศึกส่งกําลังลําเลียงหรือว่าติดป้ายต่างๆ ซึ่งุปว่ามาลงไปตรงนี้ก็คือเปรียบเทียบกับปัญญาในเปรียบเทียบกับกำแพงเมืองครูล้อมรอบกับเชิงเทินเดินรอบทางเดินบนกำแพงเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกับฮิริโอตปะกองกําลังที่อยู่ในเมืองจะเป็นพลทหารจะเป็นทหารปืนใหญ่เป็นพลทหารน่วยพลทหารอะไรต่างๆแล้วก็เปรียบเหมือนกับความเปลี่ยนคือการทําจริงแน่แนๆจริงกองกําลังนี้ต้องติดอาวุธ ด, ด้วยอานะวุธนี้ก็คือสุตตะ การเราเรียนการศึกษาธรรมะอ่านหนังสือฟังธรรมะพวกนี้ช่วยได้ทั้งสิ้นเป็นอาวุธของเราแล้วก็พูดถึงเรื่องของประตูเมืองในที่มีนายทวานเนี่ยนายทวานก็คือสตินั่นเองในศรัทธาเป็นเสาระเนียดเสาระเนียดนี่ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใน อ, องค์ประกอบหนึ่งในเมืองนั้นนั้นน่าจะมีสิ่งก่อสร้างมีอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้แล้วก็ยังจะต้องมีก็เรียกว่าเครื่องอุปโภคบริโภค นั่นอของที่มันใช้กินได้ใช้ใช้สอยได้นั่นก็คือเปรียบเสมือนกับพวกชานทั้ง4สมาธิ 1, ขั้นที่1นขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4นะตรงนี้คือหลักการนะตรงนี้คืออุปมาอปมม้นะว่าเราต้องรักษาเมืองของเราละ่นะประเด็นก็คือว่าถ้าเมืองของเราได้มีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้แล้วนะรักษาอะไรรักษาจากใครแล้วนกะ็คือรักษาจากค่าสึกที่มันจะยกมานะค่าสึกมาแน่นอนคือความแก่ความเจ็บความตาย นะอาจจะอยู่ไกลไปสําหรับบางคนเอาแค่ว่าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเจ อ, เอพ่อแม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้เจ้านายว่าอย่างนั้นบางทีกับคนใกล้ตัวนี่แหละสามีหรือภรรยาหรื อ, รอแม้แต่พี่น้องของเราเองนะพูดอย่างได้อย่างหนึ่งเข้ามามฟังไ ม, ไม่เข้าหูอย่างนะี้นะเราก็จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆเจอย่างเนี้เพื่อไม่ให้จิตของเราแตกนะไม่ให้เจ้าเมืองเนี่ยถูกลักพาตัวออกไปค่าเสีย แต่ซึ่งถ้าบอกว่าเจ้าเมืองคือจิตของเราเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเนี่ยถูกลักพาตัวไปค่าเสียจิตเราแตกเนี่ยมันก็จะแสดงอาการออกมาเป็นลักษณะว่ากระฟัดกระเฟียดโกรธเคืองไม่พอใจร่ําไห้คร่ําครวญพวกนี้เป็นลักษณะของคนที่จิตแตกทีนี้พอเรารักษาเมืองประเด็นตรงนี้ก็คือเราต้องเตรียมการรักษาก่อสร้างสะสมอาวุธฝึกทหารสั่งสมสเสบียงตัต้งแต่ตอนที่เมืองยังมีความปลอดภัยอยู่ คาดศึกยังไม่มาเช่นเดียวกันกับในกรณีที่ถ้าบอว่าเรายัางเจอภาษาที่ออโอเคอยู่ยังไม่ได้แก่มากไม่ได้แกง่งอมยังไม่ได้เจอความเจ็บมากเจ็บพอก็ทุกๆบ้างสุขบ้างก็มีปนๆกันไปแต่ยังมีข้าวกินยังมีความสุขดีอยู่บ้างก็อย่าประมาทนะให้เร่งสะสมสเสบียง่คือฝึกสมาธิให้ฝึกในทวารให้มันฉลาดหน่อย เนะีย่ยหลับในนี่ยก็คือเรื่องของสตนะิกำแพงนี่ก็ต้องกอ่อต้องฉาบให้ดีเนะี่ยคือปัญญาของเราในเมืองนั้นต้องมีกองทหารนะกองทหารก็คือความเพียรนีนะ่ยคือการทําจริงแน่วแน่จริงในะการที่จะฝึกทําความเพียรอย่างเป็นรูปแบบบ้างไร้รูปแบบบ้างเนะี่ก็ต้องสะสมอาวุธด้วยนะีสั่งสมอาวุธเอาไว้นี่ยก็คือการฟังธรรมะการศึกษาธรรมะทรงสุตตาสั่งสมสุตตะเนะี่ขุดคูด้วยนะีก็สร้างเชิงเทินเดินรอบด้วยก็ต้องมีฮีริอัตตาด้วย แลที่คุณโยมติ๋วได้พูดถึงเมื่อวานนี้ก็คือมันก็มาเข้าข่ายกับเรื่องของอินทรีตั้งหน้านั่นเองถูกไหมครับอ่าทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าในระหว่างที่เราสร้างเมืองไปเนี่ยในระหว่างที่เรากําลังเตรียมการป้องกันค่าศึกสะสมสเสบียงด้วยฝึกทหารด้วยสะสมอาวุธด้วยพวกนี้อ่าพระพุทธาก็ได้เคยตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งอีกพระสูตรหนึ่งที่เคยเปรียบเทียบกับเมืองที่เปมีกายเน่ยเป็นกายเป็นเมือง มีจิตเป็นเจ้าเมืองเนี่ยจะมีราชทูตคู่หนึ่งจะมีราชทูตคู่หนึ่งที่จะนำข่าวสารมาราชทูตคู่นี้ก็จะมาจากทางเหนือทางตะวันออกตอนตะวันตกหรือมาทางทิศใต้มาแล้วเขาก็จะมาถามนายทวารที่อยู่ทางทิศนั้นนั้นีน่พระชาอธิบายให้ฟังนะมาถามนายทวารที่อยู่ทางทิศนั้นๆว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนนายทวารทางทิศนั้นๆก็จะบอกว่านั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ทางสีแพร่งกลางเมือง ในที่นั้นน่ยราชทูตคู่นี้ก็จะเดินไปตามทางเข้าไปสู่ใจกลางเมืองใที่ที่เจ้าเมืองนั้นอยู่เสร็จแล้วก็จะนําข่าวสารตามที่เป็นจริงเนี่ยบอกกับเจ้าเมืองแล้วก็จะเดินกลับไปตามทางที่มาเนะี่ยพอมาตรงนี้แยกกายกันโยมเต๋อนะพระพุทธเจ้าบอกว่าราชทูตคู่หนึ่งไม่ใช่คนเดียวนะมาเป็นคู่ราชทูตคู่หนึ่งนั้นก็คือสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาะเเจ้าเมือง ก็คือจิตทางสี่แพ้่งกลางเมืองก็คือท่าสี่ดินน้ำไฟลมนั่นก็คือเมืองของเราใ น, นเมืองกายของเราแล้วก็ตามทางที่มาเนี่ยก็คือตามทางมรรคแนายทวานที่ถามเนี่ยก็คือสติใ น, นทิศทางที่มาถึงเหนือใต้ออกตกก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วข้อความตามที่เป็นจริงที่ราชทูตจะนําไปบอกกับเจ้าเมืองนั้นก็คือนิพพานนั่นก็คือนิพพาน เพราะฉะนั้นในขณะที่เราสร้างอุปกรณ์ต่างๆป้องกันเมืองของเราเนี่ยเราก็ไม่ใช่ป้องกันค่าสึกอย่างเดียวแต่เราก็ต้องเปิดทางพิเศษเอาไว้ให้ราชทูตมาด้วยราชทูตก็ต้องมาด้วยแล้วราชทูตนี้ก็คือสมถาวิปัสนานำข้อความตามที่เป็นจริงก็คือนิพพานมาบอกกับเจ้าเมืองคือจิตของเราสติเพราะฉะนั้นสตินี้ต้องฉลาดมากเลยทีเติยว นะคือถ้าสติไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเฮ้ยอันนี้ฆ่าศึกนะไม่ให้เข้าอันนี้รัชทูตนะให้เข้าได้มันก็จะมึนๆงงๆอะ่ะก็ไม่เข้าสติเข้าๆออกๆปิดๆถูกๆอันนี้คือเรื่องเดียวกันใช่ไหมค ะ, ะคือคเรื่องจิตแต่นครเหมือนกันใช่ใช่คือเป็นอุ ป, ปมาไปเรื่องของนครเหมือนกันแต่เป็นคน ร, รับพิสูจน์เป็นคนะระบพิสูตน์แต่เป็นเ ป, นเปนใน ท, ทางเดียวกันเข้ากันได้ค่ะก็อถ้าสมมุติว่าจะแบ่งพูดทีละครั้ง ที่เราเรื่องก็สามารถจบในเรื่องเดียวกันได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าอันนี้จะมาบ่งชี้ชัดถึงเรื่องเห็นตามที่เป็นจริงทิ้งน้ําหนักไปที่นิพพานถูกไหมคะว่าราชทูตราชทูตเนี่ยได้นําเอาของประเสริฐมาด้วยวิธีการที่ประเสริฐคือสมถะและวิปัสสนาอถ้าเจ้าเมืองเป็นจิตไม่รับเรื่องของสมถะวิปัสสนาก็อาจจะเข้าไม่ถึงนิพพานถูกไหมคะเรียนเข้าใจแล้วแล้วทางที่ราชทูตมานี่คือมรรคแปดนั่นเอง ค่ะมาจากแปดทางเหรอคะหมายถึงว่ามาทางเดียวแต่เป็นาทางที่จะมีองค์ประกอบแปดอย่างอ๋อค่ะอคือถ้าเกิดสมมติเรายกตัวอย่างถึงถนนถนนของทางหลวงกรมทางหลวงอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าจะต้องเป็นถนนที่ดีเนี่ยพื้นผิวต้องเรียบแต้องมีทางระบายน้ําต้องมีทางเดินเท้าต้องมีกาะกลางถนนต้องมีไฟส่องสว่างต้องมีป้ายบอกทางาแต่เป็นทางเดียวนะเป็นทางเดียวอยเช่นเดียวกันมรแปดเนี่ยเป็นทางเดียวมีองค์ประกอบแปดอย่าง ค่ะท่านค่ะดย่างนี้ก็หลังเชื่อเข้าใจว่าพระสูตรราชทูตเนี่ยอืเป็นพระสูตรที่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งได้ตรัสบอกในสิ่งที่สําคัญที่สุดของการตรัสรู้ของท่านให้กับพวกเราเลยถูกไหมคะับใช่คือเหมือนกับว่าเน้นไปนเลยว่าที่ตรัสรู้มาเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้ตามที่เป็นจริงคือเรื่องของการไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเป็นอกิด น, นิพพาน ถึงนิพพานนะคะแล้วก็บอกวิธีไว้เสร็จสับ ท, ที่เข้าใจง่ายๆว่าด้วยวิธีมีสมถะกับวิปัสสนาอ่ารวมกันกับหนทางที่ราชทูตได้มาทางนี้เป็นทางเดียวแต่มีองค์ทั้งแปดอยู่ข้างในใช่นะคะคืออริยมรรคมีองค์แปดแปลว่าวิธีอื่นนอกจากมรรคแปดนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปนิพพานอย่างนั้นด้วยไหมคะอถูกต้องคือถ้าเป็นเป็นวิธีอื่นเป็นทางอื่นเขาก็จะไม่เรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคเนะี่ยเขาจะเรียกมิจฉามรรคค่ะอนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องใคร่ควรวนอย่างยิ่งนะคะท่านคะเพราะมันเหมือนกับเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่เนะี่ยบางคนถ้าไม่เคยสัมผัสแต่ละเรื่องมาเช่น ไม่รู้จักว่าสมถะเป็นยังไงวิปัสนาเป็นยังไง <ừ strom S 2> นิพพานก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรมรรคแปดไม่รู้โ oh. อยาตายแล้วยิ่งเข้าไปใหญ่สตินี่พอรู้ <PO Straight> แต่ก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับสติที่พระพุทธเจ้าพูดอยู่หรือเปลา่า ย, ยกยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรมาจะยกตัวอย่าค่ะ <eyed> สมมุติว่าเราเดินไปข้างนอกบ้านอย่างนี้ไปเถอะนะค่ะ <eyed> เราก็เห็นใบไม้ร่วงสมมุติเห็นใบไม้ร่วงเห็นทางไหนเห็นต่างตาใช่ไหมตาในก็เปรียบเสมือนประตูแล้วนะประตูค่ะสิ่งที่เข้ามาเนี่ย เราก็ต้องไม่ให้ค่าสึกมันเข้ามาเราก็ต้องให้สมถาวิปัสนาเข้ามาได้ใช่ไหมเพราะถ้าสมมติเราเห็นใบไม้ร่วงแล้วเราพิจารณาเห็นว่าโอ้ใบแก่ก็ร่วงนะใบอ่อนก็ร่วงนะแต่ว่าคนหนุ่มก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้นะอันนี้คือคุณมีสมถาวิปัสนาละเพราะอะไรเพราะาคุณเห็นความไม่เที่ยงัจิตที่ไม่ได้ไปกลื้อกลัวในอารมณ์นั้นก็มีสมถะการที่เราเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นก็มีวิปัสนาอ้าวราชทูตเกิดขึ้นทันที มืรัชสุดเกิดขึ้นทันทีปุบไอการที่เราพิจารณาค่ายกรุนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิในจิตที่คิดตรงนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปมเข้ามาร์กแล้ว น, นั่นๆๆมาตามทางละค่ะตรงนี้เราก็จะได้ข้อความแล้วว่าโอ้ใช่ความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือข้อควา ม, ามที่เป็นจริงที่รชาชสุดนํามาบอกนะ่บอกเรื่อยๆบอกเรื่อยๆมันก็จะค่อยเข้าใกล้เข้าใกล้กั น, อ, นอ่าหรือในทางตรงกันข้ามคุณคคออกออกจากบ้านเห็นรถติด โอโหเริ่มมาลมเสียแล้วทําไมรถติดอย่างนี้วะ oh, <ถ>ตอนนี้เสียทุกวันทุกเวลาเลยค่ะก <c oughs> รงุงเทพรถติด <c oughs> ค่ะถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าติดเพิ่มเนี่ยมาทางไหนนี่มาทางไหน <c oughs> มาทางตาทางหูนะเราสัมผัสได้ใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็ทําการเครื่องขูดกล่าวนะว่าอถ้าผมว่าคนหนึ่งเขาจิตใจว้าหุ่นจิตใจเคร่งเครียดเราจะไม่ให้จิตใจเราว้าหุ่นจะไม่ให้จิตใจเราเคร่งเครียดนนี่คือสติเนี่ยเขาฉลาดนะทําการเครื่องขูดกล่าวว่าถ้าคนอื่นไม่ดี ฉันจะไม่ทําความไม่ดีฉันจะทำความดีอา้าวบล็อกสิ่งที่ไม่ดีล่ะให้สิ่งที่ดีๆเข้าล่ะในะการที่จิตของเราไม่ไปเกลืกลั้วในความไม่ดีในหงดหยิดตามมันแสดงว่าคุณมีสมร tha ในะเราเห็นว่าเอ้ยอันนี้ควรจะต้องทําให้มันดีนะเอาคุณมีวิปัสสนาไอ้จิตที่เป็นอย่างนี้แสดงว่าในใจเนี่ยจะมีความคิดความพยาบาทความเบียดเบียนไม่ได้เลยก็มีสังมีสมาสังกปปะล่ะนะจิตที่มีสัมมาสังกปปะเนี่ยวาจาจะพูดอะไรไปมันก็เป็นสัมมาวาจา ก็ไม่ไดาใครไม่ว่าใครเกิดความอดทน ล, ละแ้วก็เข้าสู่ขนต่างมากละอย่างงี้วเราก็จะมีสมถาวิปัสนาเป็นราชทูตนำข่าวสารมาบอกเราได้อยู่ตลอดเวลาค่ะท่า<ะ>นค่ะคนฟังอีกหลายคนเหมือนกันอืมก็อาจจะต้องงงก็เคยเข้าใจว่าสมถะเนี่ยต้องไปนั่งทีงเงียบๆนะอ่า อ่าแล้วก็แล้วก็อพองๆยุบๆหายใจเข้าหายใจออก oh, <okay. S 1> สมใจกันอยู่ตรงนั้นอ่าส่วนวิปัสนาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามีอะไรที่มันยิ่งยวดเข้าไปอีกอ่าอ่าก็ต้องทำไมท่านไปบูลมาพูดนี่ไม่เห็นมีเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องเลยจะเป็นสมถะวิปัสนาไปได้อย่างไรคือคือตรงนั้นอรหมาก็ไม่ปฏิเสธว่าเป็นสิ่งที่ทําได้แล้วดีนะดีะถ้าคุณทําได้ดีแน่นอนอ่าทีนี้ว่าคําไอการที่เราจะเจอผัสสถตัณมันอยู่ตลอดเวลา มันอยู่ตลเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะต้องคิดว่าเราจะต้องทําได้เฉพาะเวลาที่เราไปทําเป็นรูปแบบนะการกระทําอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกระทาแบบเป็นรูปแบบแต่เราทําแบบไม่เป็นรูปแบบก็ได้เพราะว่าทุกๆเวลาคุณยมตีลองคิดดูนะประตูเมืองของเราถูกเคาะอยู่ตลอดเวลาถูกเคาะอยู่ตลอดเวลาด้วยภาษาต่างๆนะมีภาษา ใ, ใช่ะมันมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณเอาท่าชทูดเข้าได้ทันทีทํำไมเราจะต้องไปรอเวลาที่เราไปวัดปีหนึ่งคุณจะไปวัดกี่วัน เอาเรามีภาษาตลอดเวลาวันหนึ่งหลายๆพันรอบแม้ตอนนอนก็ไม่เวน้นเราเอาตรงนั้นแหละที่ว่าจะเป็นช่วโมงบินในการที่จะสะสมสเสบียงเก็บสะสมอาวุธนะรวบรวมฝึกกองทหารให้ดนะีมันมาตามภาษาตลอดแล้วเราก็คอยชัราชทูตมันมาทางภาษานี้ตลอดเวลาท่านยกตัวอย่างรถติดแล้วก็จริงๆท่านเฉลยไปแล้วเรียบร้อยแต่ดิฉันมาชี้ให้ชัด ให้เห็นเป็นภาพสักนิดหนึ่งว่าเวลารถติดเนี่ยติดแรกแรกก็ดีติดไปนนแรกแรกก็ไม่ไม่ดีนะอะไรมาว่าติดแรกไม่หมายถึงว่าตอนติดใหม่ๆมันยังพอทําใจได้ยังมีความรู้สึกว่าโอเคใช่ก็ติดได้อีกหน่อยทีนี้ยังไม่ว่าใครนะคะอ่าว่าขึ้นมาลอยๆมมันจะติดอะไรกันนักไรอ่เนะคะอาจจะลงท้ายมีสระอาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าอันนี้ถือว่า เป็นอากศลโนยังค่ะเอ่อก็คือเสบียงเริ่มหมดอืมค่ะเสบียงเริ่มหมดถ้าติดสองสามนาทีไม่มีปัญหาแต่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี่อ่าทีนี้ด่าทั้งเมืองเลยค่ะเวลาจรมันไปไหนใครมันยังไงอะไรเงี้ยนะอ่าค่ะยิ่งเพื่อนขันหลังมันบีแตรนะคะโอทีนี้มีเรื่องด่ารอบตัวเลยอ่านี่คือเสบียงหมดแล้วเสบียงหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มจับตัวอ่าเริ่มจับเจ้าเมืองนี่ยเริ่มเปิดประตูเมืองเจ้าเมืองเริ่มที่จะ จะมีปัญหาแล้วตอนนี้เริ่มแผลก็คือจิตแตกนั่นเอง <Okay. S 1> จิตก็จะเริ่มแตกไปตามสเสบียงที่ค่อยๆหมดลงหมดลงค่ะเพราะฉะนั้นในใจเราต้องมีสมาธิอันนี้สําคัญนะซึ่งการการที่เราพูดถึงว่าสมถะนี่นะคุณยมติยวหมายถึงว่าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราไม่เข้าไปยินดีหมั ว, ม ว, มวเมาเพลิดเพลินผัวพันในสิ่งที่เราชอบอถ้าเทศะเป็นภาษาที่เป็นที่ตั้งความไม่ชอบใจเราก็ไม่ขยะกข ย, ย่งไม่เกลียดชังจิตเราตั้งอยู่เฉย แบบว่าเห็นมันตามเนื้อผ้าได้นี่คือสมถะนี่คือสมถะเพราะฉะนั้นความเฉยนี่ก็เป็นสมถะอย่างหนึง่งแล้วมันก็ต้องมาคู่กับวิปัสสนาเพราะว่าความที่เราไม่ไปมีอคตินะไม่ไปแบบมีอคติในสิ่งที่เราชอบหรือว่าไม่ไปใบแอบในสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นมันตามเนื้อผ้าเป็นตามที่เป็นจริงเนี่ยอันนี้ก็คือวิปัสสนาเพราะมันก็จะมาคู่กันถ้าสมมติท่านจะยกตัวอย่างอารถติดเหมือนเดิมดนะคะสถานการณ์เดิมเลยเ สมถฐาของท่านเนี่ยก็คือว่าไม่หุดหงิดกับเรื่องที่รถติดเรื่องที่จะทําให้เราไม่พอใจตรงนั้นคือรถติดน ะ, ะไม่หุนหงิดอันนี้ใช่สมถฐานไหมคะหรือว่าล่วงล้ําเข้าไปวิปัสสนาแล้วสมถฐาถูกต้องเป็นสมรฐานะคะและก็รู้สึกว่าก็มันติดนะ่ะก็มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งละค่ะแล้วถ้าเกิดคิดต่อบไปนิดได้ไหมคะว่า เดี๋ยวมันก็ไปได้นะมันคงไม่ติดตลอดชีวิตอยู่ตรงนี้อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดานั่นเป็นวิปัสนาทันทีนะคะอวิปัสนาอยู่แค่เอื้อมนี้เองอยู่ที่ตาเราอยู่ที่หูเราจมูกลิ้นกายสัอยู่ตรงนั้นมีภาษาเมื่อไหล่อยู่ตรงนั้นเห็นจริงๆนั้นเอ็ดิเชนกําลังสงสัยตัวเองกันนะคะระยะหลังๆเนี่ยเวลารถติดเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามไม่หงุดหงิดเดี๋ยวก็ไปได้ละอืมอันนี้ก็ใช่เลยใช่ไหมคะถูกต้องเลย ท่านคะที น, น, น, นี้คุณได้ยินถ้าจะเป็นกรณีนี้คุณได้ยินเอข่าวสารของราชทูตแล้วอืม ถ, <ส>ถือว่าเพียงแค่ได้ยินก่อนใช่ก็คือจิตแบบเนี้ยจะเป็นจิตที่โน้มน้อ ม, อมรุ่มราดเอียงเดีไปสู่นิพพานได้ยินข่าวสารว่าราชทูตจะมาอคือราชทูตเอาข่าวสา ร, รมาดูให้เข้าเรียบร้อยล้วถูกต้องเอาเปิดประตูให้เข้าเรียบร้อยแล้วเราได้ยินข่าวสารแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็บวกหนึ่งเราก็ใกล้สู่ออกทะเลขึ้นไปอีกจุดหนึ่งค่ะมาถูกทางแล้วนะคะถูกทางแล้วใช่ แต่ว่ายังไปนิพพานไม่ได้อ่าก็ค่อยเป็ๆไปเพราะว่ามันก็มีหลายจุดที่ต้องไห้ล ะ, ะคือคเรื่องนี้เราเห็นได้บางเรื่องอื่นละ่ะก็ต้องก็ต้องค่อยพิจารณาไปเท่ากับว่า<น>ไม่ว่า อ, อายตนะไหนคือตาประสาทเขาเรีเยกอะไรคะประตูสําหรับการที่จะรับสัมผัสอันจะทำให้เราเกิดอารมณ์ต่างอันนี้แปลบแบบภาษา บ, บ้านๆเลยนะคะสาหรับอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไปกระทบ ผัสสะเนี่ยนะคะกับอะไรก็แล้วแต่ให้เราเห็นตามที่เป็นจริงอย่างเดียวแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับไม่เที่ยงก่อนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้จิคุณก็ต้องไม่ไปกระลึกกล้วหรือไม่ไปขยักขยั่งในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบค่ะแล้วไม่ไม่มีปฏิกิริยาในทางที่เป็นอกุศลถูกต้องไม่ใบแอสไม่เป็นอคติเห็นตามมันเนื้อผ้า อ๋ออันนี้ดี๋ฉันเข้าใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยต้องสนุกแล้วนะคะเนี่ยเริ่มสนุกเดี๋ยววันนี้จะเล่นกับผัดสะสักหน่อยนะคะจะคอยดูว่าราชทูตจะมาตอนไหนอืมวันนี้ราชทูตต้องได้เข้ามาเยี่ยมเจ้าเมืองเราแน่อเอาสารที่เป็นความจริงมาให้ใช่เอาเอาเอาเอาสิ่งที่เราชอบใจบ้างดีกว่าอย่างเช่นว่าเรากินอาหารที่เราแหมาชอบชอบในกินอาหารที่เราชอบมากเลย แล้แต่เราก็ไม่ได้กินอะไรมากหรอกเราก็กินพอประมาณด้วยนะแต่อาหารที่เราชอบมากนะเรามีถ้าเราไปเกลือกกลั้วในความชอบทางลิ้นตรงนั้นแหมอันนี้มันอร่อยอะ่ะมันอร่อยจริงจแต่ฉันก็ไม่ได้กินจนอิ่มนะแต่ฉัน ก, ก็กินพอดีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นตามที่เป็นจริงก็ได้แต่เพราะนั้นเราจะทํายังไงให้เห็นราชทูตแล้วราชทูตทาข่าวสาร ม, มาได้แล้วก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องความโกรธแต่เรื่องความชอบก็ได้เหมือนกันนะโดยการที่ ให้เราเห็นตามที่เจริงว่าเอ้ยความตรงความชอบความรู้สึกที่เราพอใจเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะมันก็เกิดได้ดับไปได้เดีให้มีความไปเกลือกลัวยินดีพอใจเพลิดเพลินในสิ่งนั้น <c oughs> แต่ได้ตั้งสติเอาไว้นี่ก็คือชื่อว่าเราก็บวกละได้ข่าวสารตามที่เป็นจริงละ <c oughs> เป็นข้อดีที่มาได้เรื่อยเพราะฉะนั้นในส่วนสมมตานของข อ, ของเรื่องดีที่ท่านยกตัวอย่างไปก็คือว่าจะอร่อยอย่างไรเป็นภาษาที่เราพึงพอใจเราก็อย่าไปเกลือกลัว ใช่ยินดีกับเขาไหคะแล้วก็ให้เข้าใจว่าอมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานะคะเดี๋ยวมันอร่อยเดี๋ยวพระเลยเวลาไปหน่อยมันก็อาจจะกลายเป็นของบูดใช่เห็ของงนได้ใช่ใช่งนี้เป็นวิปัสสนาแล้วถูกต้องนะซึ่งมันเกิดกับเราได้อยู่ตลอดเวลาคุณโยมเตียวตลอดเวลาตลอดเวลาแม้ตอนนอนก็ไม่เว้นนะทีนี้เราอย่าเผลอ แล้วอย่าประมาทเพราะว่าถ้าเราเผลอเพลินไปว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเพลินไปเพลินเลินไปเนี่ยมันก็จะถือว่าเราประมาทนะจุดจุดนั้นนี่เป็นชั่วโมงบินเลยหล่ะคุณโยมตื่ว่าเราต้องยิ่งเราเก็บชั่วโมงบินได้มากเท่าไหร่นั้นประสบการณ์เราก็จะเยอะเท่านั้นค่ ะ, ะก็ดิฉันระยะหลังเนี่ยจะสังเกตเพื่อนเก่าๆนะคะเคยนั่งรถไปด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยมีปฏิกิริยาแบบหนึ่ง เดี๋ยวนี้นี่นั่งๆไปสักพักเงียบไปเลยค่ะสุดท้ายมาถามว่าทําไมเงียบก็บอกอ๋อทันทีที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยหมดประเด็นคุยก็จะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอันนี้นดีดีแล้วว่าอะไรกันคะอันนี้ก็คือมีความหลีกเล้นเป็นที่มายินดีแต่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่ว่า อ, อยู่ด้วยกันก็ยินดีกันด้วยความอยู่เงียบๆกันีเขาเรียกว่านิ่งอย่างประอริยชเจ้าคะคือกําลังจะบอกท่านผู้ฟังว่า ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปสามารถที่จะปฏิบัติได้ตลอดเวลาแต่ดูการะเทศะหน่อยก็แล้วกันนะคะบางทีเพื่อนกำลังขับรถให้สงสัยว่าเอ๊ะทางจะไปยังไงแต่ผู้ที่นั่งไปด้วยแทนที่จะเป็นคนนำทางนวิเกเตอร์ก็เกิดอ่เาเคาื่อยอะไรคะกำลังสมถะซะแล้ว <laughs> อาจจะทำให้ครั้งหน้าไม่มีสารถีให้ก็ได้ <laughs> ต้องอยู่กันแบบทางสายกลางพอดีพอดีด้วยประมาณ อ, อย่างนี้ถูกไหมคะในการที่ที่ดิฉันยกตัวอย่างคือในเรื่องของการพูดเนี่ยเราก็มีสติในการพูดได้ค่ะอ่ามันก็อย่างที่คุณโยมติว่านะในการละเทศะถ้าพูดถูกการพูดถูกเวลาพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยพูดได้พูดได้ด ไ, ดไม่มีปัญหานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ๋อยิงคิดว่าเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยในะสองวันนี้รับกันไปเป็นยาชุดใหญ่ทั้งคู่ ทั้งจิตตานครและทั้งเรื่องราชบุตรกับจิตตานครพูดอย่างนี้ได้ไหมคะจะได้แยกแยะ ก, กันได้เข้าใจง่ายมากขึ้นเรื่องของราชทูตกับจิตตานครใช่ะคะอันนี้เป็นพระสูตรที่ท่านตรัสเล่าในสถานการณ์เดียวกันไหมคะคนคนละสถานการณ์กันในเรื่องของเจ็ดอย่างที่พูดถึงที่มีกำแพงมีเชิงเตือนพวกนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตร น, นิการเป็นกคำพีหนึ่ง แต่ในพระสูตรที่พูดถึงราชทูตคู่หนึ่งนี้เป็นเรื่องของการพยากรณ์อาราธผลของภิกษุรูปหนึ่งพรูเชาก็ยกตัวอย่างนี้เพื่อที่จะอธิบายถึงกรณีนั้นๆ อ, อ๋อค่ับท่านคเวลาเหลืออยู่นิดเดียวงิน้นสงสัยอะค่ะ่ค่ะจริงๆสงสัยเรื่องค้างเก่าที่คิดว่าจะไม่พูดแล้วก็คือความรู้เกี่ยวกับการบูชาแม่พระคงคาตามธรรมเนียมของอไทยซึ่งสืบทอดมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ ในครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะของการบูชาอะไรทํานองนี้ไหมคะเขามีมีประเพณีนี้ว่าคิดว่าตัวคนเราเนี่ยจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการที่ไปอาบน้ำในแม่น้ําซึ่งทําให้คนก็บูชาน้ำในแม่น้ําลักษณะนั้นซึ่งนี้ก็เป็นก็เรียกว่าพิธีกรรมที่พราหมณ์เขาก็ทํากันตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองอแี่ในสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือว่าคนเราจะบริสุทธิ์ได้เนี่ย ไม่ใช่ด้วยการที่จะไปอาบน้ําในแม่น้ำแต่รู้สึกได้ด้วยการที่กิเลสคือราคาโทสะโมหะเนี่ยมันออกไปจากใจซึ่งเหตุที่จะทํามันสิ่งนี้ให้ออกไปจากใจได้ไม่ใช่ว่าคุณต้องกินน้ําอะไรหรืออาบน้ําอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตามอริยมรคมพึงแปดจีนสมาธิปัญญาคะ่ะทิ้งก็เห็นคนที่ไปลอยกระทงมีบางคนนะคะก็จะเอาทุกโศกเนี่ยใส่ไปในกระทงออื <c oughs> ใช้วิธีเขียนเขียนลงไปอือันนี้ทางพระพุทธศาสนา ช่วยไม่ได้ถูกไหมคะก็อยู่ที่การที่เราปฏิบัติทางจิตอันนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะลองรู้เท่ารู้ถัานยังเข้าใจว่าวันนี้ได้ประโยชน์เยอะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะคะฟังแล้วอย่าฟังผ่านจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าฟังแล้วไม่นํากลับไปใช้พระพุทธองค์ได้ตรัสไหมคะว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยพอรู้แล้วจะต้องทําอย่างไรคนที่รู้ในเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนัคือได้ฟังแล้วเนี่ย เกิดความมั่นใจแล้วเขาจะนําไปในการปฏิบัตินะคําว่าปฏิบัติตรงนี้คือหมายถึงการทําจริงแน่แน่จริง<ฆ>นะถ้าเผอว่าเรายังไม่มีการปฏิบัติแสดงว่าคุณไม่ได้ไม่ได้มั่นใจไม่ได้คือการฟังนี้ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรอะ<ฆ>คือฟังแล้วก็ผ่านไปจําได้ก็โอเคแต่ว่ายังไม่ได้นำไปให้เกิดการใช้งานการปฏิบัติก็ถือว่ายังไม่เกิดประโยชน์นะค่ะ<ฆ>ทีนี้ถ้าเกิดฟังแล้วยังไม่กระจาง ยังไม่เพ th ียงพอที <to at> ่จะทำให้เข้าใจท่านก็สามารถจะถามคำถามเข้ามาได้นะคะยังส่งไปที่เพียวธรรม a .com/106 ได้ใช่ไหมคะท่านนานะคะส่งไปที่ท่านไพบูบู์ได้เลยไปที่เว็บไซต์ p พียว h ร m ม a .com/106 ส่วนผู้ที่ประสงค์จะไปปฏิบัติธรรมกับวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็ www.pdhss w อักษรย่อตามเสียงภาษาไทยเลยนะคะวัดป่าดอนหายโศก .org เดบันนะคะวันนี้ก็กราบนมัส ก, การขอพระคุณท่านพบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านผู้ฟังที่รครักค่ะรายการสนัสนีสนทนานะคะสําหรับเสาร์อาทิตย์เราก็จะหยุดพักกันไปก่อนที่สถานีวิทยุเอฟเอท่านที่ไม่อยากหยุดพักเสาร์อาทิตย์ในการฟังธรรมท่านพิบูลจะอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เราก็ลากันไป แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้พบความกระจ่างมากขึ้นในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์จากการใครครวรทำเพื่อให้เกิดปัญญานะคะก็พบกันในวันสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้พูท้ทวสวัสดีค่ะ